ะจะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนได้มาฟังธรมรมปฏิบัติธรรมกันวันนี้ <c oughs> ก็ก็เป็นที่น่าดีใจนะที่หน่วยงานต่างๆก็ได้มีกัดเม่ได้มีการจัดกิจกรรมมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์หลายที่หลายทางได้มาให้ความรู้ ก็ถือว่าเราทางโลกทางธรรมเราก็ไม่ทิ้งกันถือว่าทางโลกเราก็ทำมาหาเลี้ยงชีพทางธรรมเราก็สแสวงหาความรู้ด้านจิตวิญญาณ <c oughs> ก็ตรมาเองก็เคยมาสองสามครั้งนะสามครั้งก็ก็ขอแนะนำตัวหน่อยก็คือตรมาชื่อพระอาจารย์จรันตักขยาโลก็ บวชวัดสังฆทานนี่แหละก็วัดสังฆสถานนนท บ, บุรีก็บวชปีสองเก้าปีนี้ห้าเก้าก็สามสิบตะย่างสามสิบเอ็ดพรรษาเข้ามาก็บวชปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าก็พื้นเพยก็เป็นคนจังหวัดน่านทางเหนือก็ได้บวชมาตั้งแต่นนท์บวชแล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ชุดรงไปตั้งแต่ บทครั้งแรกก็ไปอยู่อุ้มผางอาทองฟ้าภูมิขึ้นไปทางแม่แห่งสอนอเรียงแหงเชียงดาวก็มาอยู่ที่แม่วาง <c oughs> อยู่แม่วางก็ประมาณยี่สิบปีก็ามาเราอยู่ตรงนั้นอยู่กัลลีนะที่วัดก็ไกลความเจริญไฟฟ้าก็ไม่มีนหนทางก็ต้องใช้รถขับเพื่อนสี่ล้อเึ้นไปก็ขึ้นยากน ะ, นะความสูงก็ประมาณดอยสุเทพอยู่ระหว่างดอยสุเทพกับดอยอินทนนท์ อยู่กลางๆนะอากาศข้างบนก็สูงก็เย็นเย็นท้องฟีความสูงก็ประมาณดอยสุเทพประมาณใกล้เคียงกัน <c oughs> อ่าก็ <c oughs> มาฟังธรรมกันเนาะการฟังธรรมเราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยเราจะขอชี้แจงว่าอสมาธิเนี่ยที่เรามาทํามาฝึกกันเนี่ยก็เรียกว่าด้านภาวนาหรือว่ากรรมฐานเนี่ย ขอชี้แจงตรงที่สมาธิก่อนคือการสมาธิเนี่ยสมาธิมีสองสมาธิสมาธิหนึ่งก็คือสมาธิโลกหรือเรียกว่าโลกี้สมาธิสมาธิอีกอย่างหนึ่งก็คือโลกุตระสมาธิก็คือสมาธิที่เหนือโลกพ้นโลกอันนั้นเขาเรียกว่าโลกุตระสมาธิ ซึ่งสมาธิโลกียะก็หมายถึงสมาธิที่ยังอยู่กับโลกไปเรื่อยๆไม่พ้นโลกและสมาธิโลกุตละสมาธิก็คือสมาธิแล้วปฏิบัติทำไปแล้วเนี่ยสามารถจะพ้นออกจากทุกพ้นออกจากโลกซึ่งจะมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องโลกุตละสมาธิส่วนโลกิยะสมาธิเนี่ยมีทุกศาสนาไม่มีศาสนา ก็มีได้ไม่จำเป็นต้องมีศาสนาไหนก็ทำได้ฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยรู้จักสมาธิกันนานแล้วนะไม่ใช่ว่าสมัยพุทธเจ้านี่เองไม่ใช่ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าสมาธิที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเรียกว่าโล ก, กีสมาธิซึ่งพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีสมาธินี่มาหลายชาติแล้วแล้วก็ตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นี่ก็มีสมา <c oughs> ก็มีสมาธิเหล่านี้อยู่แล้วก็เรียกว่าโลกิยะสมาธิซึ่งมนุษย์เราเนี่ยรู้จักการทำสมาธิมานานแล้วแม้แต่พระเจ้าว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็มีสมาธิมาตลอดแล้วมีสมาธิสูงขึ้นไปมากมากเท่าไหร่เนี่ยจนถึงขั้นอภิญญาแลวเหมือนฤาษีชีภายต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมีเ็าเรียกว่าอภินญา ห้าประการ น, นะห้าประการเขาเรียกว่าอภิญญาห้านะอภิญญาห้าก็คือมีหูทิพตาทิพสามารถจะลึกชาติได้แล้วามารถที่จะมาแสดงฤทธิ์ต่างๆเนี่ยถึงห้าอย่างแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยมีหกอย่างเขาเรียกว่าอภิญญาหกก็คืออสวะคยายานเกี่ยวกับเรื่องกิเลสฉะนั้นสมาธิโลกยะสมาธิเนี่ย สามารถจะมีอภิญยาห้าอย่างเว้นที่หกไว้ก็คือข้อที่หกนี้ก็คื อ, อกิเลสละไม่ได้ข้อที่หกได้ละได้ห้านะข้อนี้เหลือแต่กิเลสแสดงว่าคนมีกิเลสอยูย่สามารถจะทำสมาธิได้หมดเลยมีกิเลสไปสมาธิก็มีไปมีสมากิเลสไปก็สมาธิก็มีไ ป, ไ ป, ไปคู่กันไป เ, เรื่อยๆอริยบั่าสมาธิโลกียะนะซึ่งจะเป็นเป็นสมาธิโลก ซึ่งสมาธิอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าเรามีตั้งแต่โ น, น้นสมัยใดๆก็มีเรายกตัวอย่างเช่นว่าสมัยพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นสุเมธดาบทนะก็สําเร็จอภิญญาห้าเหาะไปในอากาศได้แล้วก็เห็นประชุมชนเนี่ยทําการเตรียมสถานที่อยู่แล้วก็รับเสด็จของพระเจ้าทีปังกรสมมาสัมพุทเจ้าพระเจ้าเราก็เลยลงมาสร้างบา ร, รมีโดยทําตัวเองให้เป็นสะพานทอด าที่หล่มตมนะตั้งแต่ชาตินั้น เ, นเราจะเห็นว่าผู้เจ้าเราเนี่ยเหาะได้ตลอดเป็นพระโพธิสัตว์เพราะอะไรเพราะท่านมีสมาธิโลกียะนี่ตลอดคือเราจะแยกว่าสมาธิมันมีอะไรบ้างแล้วก็ผู้เจ้าเราเน่ยสมาธิโลกียะนี่สูงสุดมากก็คืออภิญญาห้าก็คือว่าสามารถจะเหาะเหินเดินอากาศได้หมดยกเว้นกิเลสยังละไม่ได้เราจะเห็นได้ว่ากิเลสก็มีได้สมาธิก็มีได้ ปนกันไปถ้าถ้าข่มกิเลสได้มากเอกิเลสขม่มเฉยๆนะเขาเรียกว่าข่มได้มากสมาธิก็โดดเด่นถ้าเกิดว่าสมาธินะ่ะถูกกิเลสข่มมากสมาธิก็เสื่อมลงไปเขาเรียกว่ามีเกิดได้เสื่อมได้อันนี้ก็เรียกว่าสมาธิโลคยะที่มีการเสื่อมได้แล้วก็เกิดใหม่ได้เสื่อมได้เกิดไปได้อย่างนี้เป็นตน้นส่วนโลกุตรลสมาธิเนี่ยไม่เสื่อม แล้วก็มีอภิญญาถึงหกอย่างซึ่งมากกว่าทุกอย่างมากกว่าหมดเลยซึ่งโลกุตลสมาธินี่มีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นอันนี้ก็ต้องยกเว้นว่าสมาธินี้เนี่ยมีเฉพาะพุทธเจ้าหรือสาวกของพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะมีสมาธิเหล่านี้ได้ส่วนโลกิยาสมาธินี่มีทั่วไปเราจะเห็นแม้ฤาษีชีภไยสมัยนั้นพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยมีลัทธิมากมาย ลัทธิเหล่านั้นก็มีสมาธิหมดเลยสูงทั้งนั้นนะเราจะเห็นแม่ว่าพู้เจ้าไปแสดงฤทธิกับชดินสามพี่น้องเนี่ยชาดินก็มีฤทธิ์มากพู้เจ้าแสดงฤทธิ์เป็นพันอย่างนะถึงจะคมขีว่าชาดินสามพี่น้องเนี่ยไม่ใช่พระละหันจนสุดท้ายก็ยอมรับพูะเจ้าอยอมรับพูะเจ้าแล้วก็ข อ, อมาเป็นสาวก สุท้ากับรรลุธรรมเราจะเห็นว่าสมาธิเนี่ยมีมานานแล้วอแล้วก็พระุทธเจ้าเราเนี่ยตอนที่เป็ น, นาราชกุมารอ่าันนี้กษัตร์หมาก็เล่าย่อๆนะว่าอได้ทําสมาธิใต้ต้นว่าในพระชนมายุเจ็ดขวบเราจะเห็นไหมพระุทธเจ้าก็ได้ทําพึงปฐมฌานใต้ต้นว่านะตอนแรกนาขวัญ ลหลังจากนั้นแล้วพุทธองค์ก็สรงผนวดไปแล้วเนี่ยก็ศึกษาสมาธิกับอราราติบททุกกดาบทก็สมาธิโลกเหมือนกันโลกียสมาธิหมดเลยจนถึงสมาธิสูงสุดก็คือเนวาสัญญานาสัญญายาตนาก็คือฌานนะฌานอรูปฌานนั่นเองทีงนี้ว่าฌานอรูปฌานเนี่ยมีในสมาธิมีมาพุทธเจ้ามาตลอดแม้แต่ชาติสุดท้ายก็มี แต่ยังไงผู้เจ้าก็ยังเป็นผู้เจ้าไม่ได้อยู่ดีแสดงว่าผู้เจ้าต้องขาดอะไรขาดอะไรบางอย่างนะขาดสมาธิบางอย่างขาดสมาธิโลกุตตะนั่นเองหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ส่งพหลมานพวรากายเห็นว่าสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าสมาธิทำทาสมาธิกับอาราณบด ท, ทุกกตาบดเนี่ยท่านบอกว่าสมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อค ว, ความเบื่อหน่าย ไม่ขายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นอันนี้ท่านท่านบอกว่านะท่านท่านทําสมาธิกับอาราริบทุทกระดับน่ะได้วิเคราะห์สมาธิแบบนี้ว่าเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อน า, นายและขายกําหนัดและไม่หลุดพ้นอันนี้ก็หมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคนเราทําสมาธินิ่งลงไปปุ๊บเนี่ยจิตมันนิ่งเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบเท่านั้นเองแต่เวลาออกมาเนี่ย มันไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่คลายกิเลสนั่นเองแล้วก็ไม่หลุดพ้นจากกิเลส ท, ที้หลายคนที่เรามาฝึกตรงนี้เนี่ยก็คงเคยผ่านทางการทําสมาธิมามากพอสมควรคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคนที่จะมาฟังอย่างนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยทุนมากจะมีพื้นฐานพอสมควรอยู่แล้วก็คือการนิ่งของจิตเพฉะนั้นจิตเนี่ยเดิมแท้เรามีนิ่งแต่เราพยายามให้นิ่งนะี่ยทำยังไง บางคนก็พยายามที่จะให้เหลือเนี่ยอารมณ์มากมายก็ให้เหลืออารมณ์เดียวฉะนั้นพยายามรักษาอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวเอาไว้ตรงไหนก็ไว้ที่ปลายจมูกไว้ให้รู้บ้างไว้ที่ท้องบ้างไว้ที่สวงอกบ้างไว้ที่นาผากไว้ที่อ่อเอ่อระหว่างคิ้วบ้างแล้วแต่เราจะเอาความรู้สึกของจิตเราไว้ตรงไหนร้อยไว้กับลมหายใจบ้างอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมากมายหลากหลายอุบายก็จริงแต่จุดประสงค์เดียวกันก็คือ ให้จิตนิ่งการที่จิตไม่นิ่งเพราะมีเหตุว่าจิตนี้ขว้าอารมณ์มากมายแล้วก็จะทําให้จิตนิ่งด้วยด้วยการที่ว่าเราจะให้จิตเหลืออารมณ์เดียวอารมณ์มากมายให้เหลืออารมณ์เดียวแล้วก็พยายามอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งรู้อยู่จิตเล่นมากๆแล้วก็จะรวมลงไปเมื่อรวมลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอํานาจของมันเอง ซึ่งอำนาจนี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจของเรา dunno. เป็นอำนาจตามธรรมชาติเราจะเห็นว่าเวลาจิตเรานิ่งๆนี่แล้วมันจะรวงวูบก็ไปเดี๋ยวูบก็ไปเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะหูมันจะเริ่มดับมันจะวิ่งไปเลยหูจะเริ่มดับเหมือนกับวิ่งแล้วก็นิ่งแล้วตัวเราจะเริ่มแข็งๆหน่อยแล้วก็อตัวจะอะไรตัวจะเบากายเบาแล้วก็ตัวจะแข็งๆซึ่งขยับไม้ขยับมือก็ไม่ค่อยได้สร้างงานอะไรก็ไม่ได้ ตัวเราจะลัตมันจะลัตตัวแข็งๆแต่ก็ไม่ได้อึดอัดอะไรอันนั้นก็เรียกว่าเข้าฌานนั่นเองนะมันจะเข้าไปก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยรู้จักวิธีนี้มานานแสดงว่าเราสมาธิที่เรามาฝึกเริ่มแรกก็คือเราฝึกโลกิยะสมาธินั่นเองนะเรายังไม่เป็นโลกุตระหรอกเพราะการฝึกอย่างนี้เนี่ยทาให้จิตนิ่งเนี่ยเป็นโลกิยะหมดเลยเราเหมือนกับว่า จิตเราเนี่ยมากมายด้วยอารมณ์เนี่ยมันมันไม่รวมเราจะรวมด้วยการที่ให้จิตเราเหลืออารมณ์เดียวเมื่อจิตเราอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยเราจะมีอํานาจจิตเราจะมั่นคงขึ้นมารวมแล้วก็จะแน่นขึ้นไปเองเหมือนกับว่าอุปมาเหมือนว่าแสงแดดเนี่ยที่เราเป็นเด็กนักเรียนน่ยที่เราเอาเลนไปรวมแสงอ่ย ฉะนั้นแสงอาทิตย์เนี่ยเมือ่อเมื่อปกติของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ร้อนมากร้อนยังไงก็ไม่มากพอแต่เมื่อเราเอาเลนไปรวมแสงเนี่ยแล้วก็ทำให้จิตเนี่ยใ ห, ใ ห, ให้ให้แส ง, แสงอาทิตย์เนี่ยไปรวมเป็นจุดเล็กๆแสงทั้งหมดก็จะถูกรวมกันให้มีความเข้มข้นสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นมากๆแล้วเนี่ยสามารถจะลุกเป็นไฟได้ที่เราเป็นสมัยเด็กนักเรียนที่เราเรียน ก็ที่เคยเอาเลนมารวมแสงกันก็ปรากฏว่าลุกเป็นไฟได้จริงๆถามว่ า, าแสงอาทิตย์นั้นเน่ะเป็นของเขาเองหรือที่ทำให้เขามีความร้อนสามารถจะลุกเป็นไฟคาตอบก็ได้คือว่าเป็นไม่ได้แสงอาทิตย์เป็นไฟไม่ได้แต่เป็นเพราะมีเหตุปัจจัยอื่นก็คือเลนนั่นเองเลนนั้นจะสามารถที่จะรวมแสงให้เป็น แสงที่เข้มข้นเนี่ยใ ห, ให้แสงที่กระจัด ก, กระจายให้กลายเป็นเข้มข้นได้เมื่อความเข้มข้นเกิดขึ้นสมาแสงก็สามารถจะมีพลังความร้อนก็สูงสามารถจะลุกเป็นไฟได้สแสดงว่าแสงอาทิตย์ไม่สามารถจะเป็นไฟได้แต่จะเป็นไฟได้เพราะมีเลนเป็นตัวช่วยหรือเป็นเหตุปัจจัยของเลนทำให้เกิดการรวมตัวของแสงสแสดงว่าแสงก็อย่างหนึ่งเลนก็อย่างหนึ่ง ไม่ใช่อันเดียวกันแต่ประกอบกันได้ทั้งสองอย่างจึงเกิดการรวมพองแสงได้และก็เกิดลุกเป็นไฟอันนี้ก็ฉันไดว่าจิตเราก็อย่างหนึ่งสมาธิเราก็อย่างหนึ่งทั้งสองอย่างนี้รวมกันไปจิตเราเลยเป็นหนึ่งขึ้นมาดันั้นระหว่างที่เราจิตเรารวมตัวเนี่ยไม่ต่างอะไรกับแสงอาทิตย์เนี่ยรวมกันเป็นจุดจึงมีความเข้มขึ้นสูงความเข้มข้นสูงตรงนี้ทาให้เกิดพลังสมาธิเหมือนกัน จิตเราเนี่ยถ้าเกิดปล่อยมันธรมธรมดาธรรมดามันก็ไม่มีพลังเลยมีความคิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามารวมเป็นสมาธิแล้วเป็นจุดแนละความเข้มข้นของเขาจะสูงสูงแล้วมันจะดิ่งวูบเข้าไปเนี่ยทําให้เราจิตเหล่านี้แน่นมั่นถ้าก็รวมกันเป็นกระจุกเล็กๆทําให้เกิดพลังขึ้นมาแล้วก็พลังนี้จะดิ่งเข้าไปวูบเข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าฌานฌานแปลว่าเพ่งนั่นเองนะทีนี้เรามาฝึกกันลมหายใจก็ดีกําหนดตรงไหนก็นแล้วแต่ยอย่าอธิบายมาเนี่ย ก็คือการทำฌานนั่นเองฌานแปลว่าเพ่งเพ่งให้จิตเรารวมตัวแสดงว่าจิตเราเนี่ยปกติเขาจะไม่เป็นแต่จะเป็นด้วยการฝึกนะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเราปกติจะไม่รวมรวมเพราะมีการที่ฝึกนั่นเองที่มันจะรวมได้แสดงว่าเราแยกความรู้สึกว่าจิตเราอย่างึ่ง เลนเอการรวมตัวของจิตก็อย่างหนึ่งเหมือนแสงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งเลนก็อย่างหนึ่งสองอย่างเนี้ยประจวบกันกลายเป็นการมั่นคงของจิตเมื่อเราเข้าสมาธิไปเนี่ยจิตเราเนี่ยกำลังรวมปุ๊บมันดิ่งวิ้วเข้าไปเนี่ยมีความสุขมากเพราะจิตเรามั่นคงมากขนาดนั้นทําให้เราไม่รู้สึกว่าเย็นกายเย็นใจเบากายเบาใจแล้วก็มีความสุขความสงบเกิดขึ้น เมื่อจิตรวมตัวไปอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดการมีพลังทำให้จิตเราเนี่ยนิ่งดิ่งลงไปแสดงว่าอำนาจที่ทำให้จิตรวมนั้นก็ไม่ใช่อำนาจของเราเป็นอำนาจของธรรมชาติคือฌานนั่นเองคือคือเราจะต้องแยกว่าจิตเราก็คือจิตฌานก็คือฌานแต่เราอาศัยกันอาศัยกันและกันจึงเกิดอาการนี้ขึ้นมา เหมือนกับว่าสิ่งสองสิ่งมีมีการรวมตัวกันแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาเหมือนแสงอาทิตย์กับเลนสเนี่ยสิ่งสองอย่างนี้รวมกันก็กลายเป็นจุดแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มข้นของแสงเกิดไฟขึ้นมาแสดงว่าทุกอย่างเกิดเพราะมีเหตุปจัจจัยเราจะพูดถึงว่าเหตุปัจจัยของการเกิดว่าอะไรจะเกิดอะไรเนี่ยต้องมีเหตุปัจจัยทั้งสิน้นไม่มีเหตุปจัจจัยสิ่งนั้นก็เกิดไม่ได้ แสดงว่าจิตเราจะรวมก็ต้องมีเหตุปัจจัยของการฝึกที่จะรวมความเข้มข้นของจิตนี่ยอยู่ในความเป็นสมาธิอแม้แต่แสงอาทิตย์เนี่ยจะให้เขาเข้มข้นจนบุกเป็นไฟเขาก็เป็นไม่ได้แต่ถ้าเกิดรวมตัวเป็นเลนเอามาเลนเอามารวมกับเลนแล้วเนี่ยเขาสามารถจะเป็นไฟได้อย่างนี้เป็นตน้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเราก็มั่นคงมั่นคงแล้วก็สงบลงไปก็เย็นแต่ว่า มเีเขาเรียกว่ามีขีดจำกัดก็คือว่าเมื่อจิตเรารวมตัวเป็นสมาธิแล้วเนี่ยไม่ช้าไม่นานจิตนั้นก็ออกจากสมาธินะอยู่ในสมาธิมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่กําลังของของการทำของเราแต่เมื่อจิตของเราเนี่ยเข้าอย่างไรเวลาออกก็ออกอย่างนั้นเมื่อจิตคลายตัวออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติจิตเราก็มีความคิดเหมือนเดิมและกิเิยาน้อยใหญ่ที่เรามีอยู่ก็ยังมีเท่าเดิมอยู่เลย แสดงว่าระหว่างที่เข้าไปสมาธินั้นเนี่ผู้เจ้าถึงกล่าวว่าเป็นไปเพื่อความสงบความสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ขายกำหนัดไม่หลุดพ้นก็เพราะเหตุนี้เองแสดงว่าเราเข้าสมาธินิ่งจริงแต่ออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมฉะนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสมาธิโลกิยะเพราะการกลับมาสู่การที่เข้าสมาธิแล้วกลับมาสู่อารมณ์อย่างเดิมนั้น อารมณ์อย่างเดิมนั้นเป็นโลกโลกียะอยู่โลโลกียะก็คือหมายถึงโลกนั่นเองโลกียะก็หมายถึงโลกแต่กลับมาสู่ตรงนี้ก็คือกลับมาสู่โลกพูดง่ายๆก็คือออกสมาธิก็มาสู่โลกใหม่โลกอย่างเดิมนั่นเองที่เคยมีนั่นเองฉะนั้นการทําสมาธิกลับมาสู่โลกยังมีโลกอยู่เนี่ยท่านเรียกว่าโลกียะสมาธิโลกกับโลกียะนี่อันเดียวกันนะ แต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านจะทํำยังไงว่าเมื่อเข้าสมาธิก็สงบแต่ออกมาก็ไม่ไปสู่โลกจะทํำยังไงนี่คือที่มาของโลกุตละสมาธิฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราลองทําสมาธิโลกียะกันแล้วเนี่ยส่วนมากที่เราฝึกก็คือโลกิยะหมดเลยแต่ไม่เพียงพอสําหรับการพ้นทุกข์ฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกว่าเป็นไปเพื่อความสงบแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกําหนัดไม่หลุดพ้นเนี่ย เร า, าเราจะทํำยังไงเพื่อให้เกิดการเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเพื่อความหลุดพ้นจะทํำยังไงถ้าเราทําได้ก็จะเป็นโลกุตระสมาธินั่นเองคือโลกุตระสมาธิจะต่างกับโลกิยะอย่างไรก็คือว่าโลกิยะก็หมายถึงว่าเข้าสงบแต่ออกมาก็ไม่สงบแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าโลโลกิยะสมาธิก่อนที่จะเข้าเนี่ยก็ไม่สงบอยู่ก่อนแล้วเข้าไปถึงได้สงบแต่ออกมาก็ไม่สงบเหมือนก่อนนั่นเองอันนี้โลกิยะนะ แต่โลโกตาเนี่ยเข้าก็สงบออกมาก็สงบไม่เข้าสมาธิเลยก็สงบสงบทุกอย่างไม่มีคำ ว, ว่าไม่สงบหมายถึงว่าเข้าสมาธิจิตก็นิ่งเวลาออกมาจิตก็นิ่งแล้วก็ไม่เข้าเลยก็นิ่งไม่เข้าสักร้อยปีก็นิ่งอย่างนั้นแหละตลอด24ชั่ววัน24ชั่วโมงเนี่ยทั้งวันเนี่ยนิ่งตลอด24ชั่วโมงเลยไม่มีการไปไม่มีการมา นะเดือนก็นิ่งปีก็นิ่งร้อยปีก็นิ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าโลกุตละสมาธิซึ่งเราจะมาเรียนรู้ตรงนี้เองว่าทายังไงเราจิตเราจะเป็นเช่นนั้นได้ฉะนั้นสมาธิถึงแบบว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือโลกิยะฝ่ายหนึ่งก็โลกุตละแต่เมื่อเราจะมารู้โลกุโลกุตละเราก็รกู้โลกิยะก่อนเป็นความรู้บาทฐานทั่วไป ทีนี้เมื่อเราได้ความรู้บารฐานทั่วไปว่าโลกิยะมันเป็นอย่างนี้หนอะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้าสมาธิสงบออกมาไม่สงบเนี่ยจะทำยังไงเราอยากได้สงบทั้งหมดนะเข้าก็สงบออกก็สงบอะแล้วจะมาทำยังไงเราก็ต้องมาฝึกโลกุตระสมาธิอีกทีหนึ่งฉะนั้นโลกุตระสมาธิเนี่ยจะต่างจากโลกิยะต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่า อย่างที่เคยบอกว่าทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีไม่มีแน่นอนฉะนั้นเหตุปัจจัยอันไดที่ทำให้เรามีอารมณ์อารมณ์เหล่านี้อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เขามีอารมณ์ขึ้นมาถ้าเรามาจับดูตัวการของการเกิดอารมณ์ก็จะมีอยู่สามอย่างก็คือ 1, คหนึ่งจิตเราสองก็คือตาหู ก็คือประตูสามก็คืออารมณ์เปรียบเหมือนว่าร่างกายคนเรานี้เหมือนบ้านหลังหนึ่งตาหูนี่เหมือนประตูออกตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจงนะเป็นประตูออกแต่มาย่อแค่ตาหูนะก็คือทั้งหกประตูนี้เขาเรียกว่าทวารหกแล้วก็บ้านหลังนี้จิตเป็นผู้อาศัยบ้านหลังนี้ก็เทวไปออกประตูทั้งหกนี้ไปหาอารมณ์อารมณ์หมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงโผลพระ ธรรมารมณ์ต่างๆแสดงว่ามีตัวการอยู่สามอย่างทำให้เกิดการเป็นอารมณ์ขึ้นมามเป็นเหตุปัจจัยของอารมณ์ก็คือหนึ่งจิตเราสองก็คือประตูก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสามก็คือรูปรดกลิ่นเสียงโภธพระธรรมรม์ก็คืออารมณ์ข้างนอกถ้าย่อมาแล้วก็คือจิตประตูและอารมณ์ ท่านี้ถมว่าสามตัวนี้เองทําให้เกิดอารมณ์ของเราเนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเหล่านั้นได้จิตของเราจึงมีมีด้วยอารมณ์ต่างๆท่ า, าน้สามตัวเหล่านี้เนี่ยเราจะแก้ที่ตัวไหนอ่าเราจะแก้ที่ตัวไหนเล่าว่าจะให้เหตุทั้งสามนี้ไม่มีฉะนั้นบางคนก็บอกแก้ที่อารมณ์ความจริงไม่ถูกนะเพราะอารมณ์ก็คืออารมณ์เขาตั้งอยู่อย่างนั้นนะ เขามีอยู่อยู่นั้นตามภาษาโลกแล้วก่อนที่เราจะมาเกิดในโลกนี้อารมณ์เขาก็มีอยู่ในโลกแล้วหลังจากที่เรามาเกิดแล้วเขาก็มีอยู่แล้วหลังที่เราตายไปแล้วเขาก็มีอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นอารมณ์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นดอกไม้ของโลกที่มีอยู่แล้วแต่เราเองดัไปผูกพันด้วยอารมณ์เองนะบางคนมักจะว่าเรานั่งสมาธิไม่สงบเพราะอะไรเพราะอารมณ์มากวนความจริงแล้วเรากวนอารมณ์หรืออารมณ์มากวนเรา ส่วนมากคนแล้วคนส่วนคนคส่วนมากก็จะโทษว่าอารมณ์มากวนเรามากวนตัวเองเนี่ยคนเนี่ยทำไม่ทาเสียงดังทำให้เราไม่สงบอย่างนี้เป็นต้นความจริงแล้วไม่ใช่นะเราไปกวนอารมณ์เองเอาทำไมไม่โทษเราอ่ะฉันชาติยานของคนเรามักจะโทษคนอื่นไว้ก่อนนะนี่คือนิสัยของคนเราเนี่ยเรื่องอะไรข้าจะผิดคนอื่นผิดเสมอแบบนั้น อันนี้คือฉันชาติธา ย, ยานของคนเรามักจะโทษว่าเราไม่สงบเพราะเรามีอารมณ์ความจริงแล้วอารมณ์มีของเขาอยู่ประจำโลกแต่เราเนี่ยไปหาเขาเองแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราไปหาเขามักจะโทษเขาเป็นเกตเป็นหลักเหมือนกับว่ามแมลงผู้มแมลงผึ้งเนี่ยทาไมไปหาดอกไม้น่อะอะไรอะไรไปหาใครใครไปหาใคร แมลงพึ่งก็บอกว่าพอดอกไม้เนี่ยเราถึงได้ไปดอกไม้ก็บอกข้าก็ไม่ได้ไปไหนข้าก็อยู่ตรงที่ข้าเนี่ยข้าก็นิ่งอยู่ที่เดิมตัวเองต่างหากเข้ามาหาข้าใช่ไหมล่ะพึ่งก็บอกว่าโทษ ด, ดอกไม้แต่ความจริงโทษตัวพึ่งมากกว่าแล้วพึ่งไปหาเองถ้าพึ่งไม่ไปดอกไม้ก็ตั้งอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้มีขาที่วิ่งมาเขาไม่ได้มีมีปีกที่บินไปแต่พึ่งต่างหากที่บินไปหาอันนี้ก็เหมือนกันว่า จิตเราเนี่ยเราบางคนบอกว่าแก้ที่อารมณ์สิถ้าอย่างนั้นคนทุกคนนั่ ง, นงในถ้าเนี่ยก็สงบทุกคนดิหรือไม่งั้นเราปิดห้องให้มิดเลยก็สงบดิเพราะอารมณ์ไม่กวนแต่ไม่สําเร็จยังไงก็อารมณ์ก็ยังเยอะอยู่แสดงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจิตเราไปหาเขาเองนะฉะนั้นสามอย่างเนี่ยจิตเราประตูอารมณ์เนี่ย เราแก้อารมณ์ไม่ถูกนะอารมณ์มันมีมานานมีก่อนเราที่จะมาเกิดอีกฉะนั้นตัดไปประเด็นที่หนึ่งตัดไปว่าอารมณ์ไม่ต้องแก้สองโทษว่าเพราะมีตามีหูมีจมูกเลี้ยงกายนเนี่ยแหละใจถึงได้ไปโทษตาหูเนี่ยถ้างั้นคนเราตาบอดจะเป็นไงหูหนวกก็จะเป็นไงจะเอาไหมล่ะก็ไม่เอาเอาไม่เอาก็จะบน่นทําไมเราไปถามคนตาบอดดูดิว่าจิตมันคิดไหม โอ้ยคิดไปจบมือกันเขาก็บอกว่าคิดถามคนหูหนวกไหมว่าจิตเขาคิดไหมเขาบอกว่าคิดเหมือนกันอะไรคือสาเหตุมันไม่ได้ออกมันตั้งหกประตูนะถ้าดับไปสองประตูมันจะเหลืออีกสี่ประตูมันเลือกไปได้หมดเนี่ยฉะนั้นเราจะไปดับอะไรละ่ะประตูก็บอกว่าข้าก็ไม่เกี่ยวสมมติว่าห้องนี้มีประตูนี้เนี่ยถ้าเราไม่เดินออกไปประตูก็บอกว่า เราก็แค่เป็นประตูเราก็อยู่กับที่จะคุณออกไปออกก็เรื่องของคุณสิคุณออกไปก็จะมาบ่นเราได้ไงเรามีนะถ้าคุณไม่ออกก็เราก็ทําอะไรกับคุณไม่ได้ปรากฏว่าประตูบอกว่าเราเป็นแค่ประตูคนคุณจะเข้าจะออกเรื่องของคุณปรากฏว่าสามอย่างเนี่ยเราทัดกองแล้วสองอย่างปัดทิ้งไปแล้ก็คืออารมณ์ไม่ใช่ละประตูก็ไม่ใช่ละจิตเรา สุดท้ายได้ตัวการใหญ่ว่าจิตเหล่าถามว่าจิตทำไมเจ้าถึงไปไปแล้วไปอีกนะ่ะจิตก็บอกว่าก็าไปแล้วมันสนุกดีก็อยากจะไปไปแล้วก็ไปอีกเพราะอะไรเพราะอยากไปอ๋อความอยากมันนี่เองแสดงว่าความอยากเป็นเหตุของทุกเราเคยได้ยินไหมว่าตัณหาคือความอยากตัณหาเป็นเหตุของทุกที่พรเจ้ากล่าวว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกตัณหาแปลว่าความอยาก ความอยากความทะยานไปความวิ่งไปความเป็นกระแสเหล่านี้เขาเรียกว่าตันหาหมดแสดงว่าตัวการในครั้งนี้ก็คือเหตุปัจจัยทําให้จิตลงไม่หนึคือความอยากที่มีอยู่ในจิตฉะนั้นเราฆ่าความอยากแต่ไม่ต้องฆ่าจิตเข้าใจไหมจิตกับความอยากของจิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเหมือนผ้ากับสิ่งเปือเ้อน ถามว่าผ้ากับสิ่งเปือเป้อนนี้มันมันเป็นของเดียวกันสิ่งเดียวกันไหมก็ไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่มาอาศัยกันฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะเอาของอย่างนี้ออกไปก็คือไปคายี่ไปซักไปล้างผ้าแล้วก็จะสะอาดเองความเปื้อนก็จะหลุดเองแสดงว่าผ้ากับสิ่งเปื้อนไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มาละคนกันอยู่ปนกันอยู่อาศัยกันอยู่ จิต ก, กับความอยากของจิตไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ว่าอาศัยกันอยู่ลักคนกันอยู่ปะปนกันอยู่ทีนี้ความอยากของจิตเราเนี่ย <c oughs> จะออกได้อย่างไรเอ่ <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของไม่ใช่การทําสมาธิอย่างเดียวที่เรานิ่งแล้วนั่งแล้วนะที่เรานั่งอย่างเดียวนั้นได้แค่นั้นนะตอนนี้จะเป็นการวินิเคราะห์ด้วยปัญญาฉะนั้นเราจะใช้ปัญญาเนี่ยเป็นตัวชาแลกกิเลสเราฉะนั้นเราจะต้องมาเดินมักมักเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยปัญญา แต่สมาธิคนเรานี้ขึ้นต้นด้วยสมาธิเลยไม่ใช่ปัญญาแต่ท่านี้เราไปไม่รอดเราทำแล้วก็เป็นโลกียะสมาธิเท่านั้นอย่างที่เราเคยฝึกเนะี่นิ่งออกมาก็ไปอีกและจิตท่นี้เราจะทำลายอารมณ์ของจิตเนี่ยต้องทำลายด้วยปัญญ า, ากลายเป็นว่าปัญญาเป็นตัวการใหญ่ที่จะต้องทำลายพุทธองค์ทรงกล่าวว่าความยากที่สมัยก่อนอชิตะมนุภูถามปัญหาพระเจ้าว่า มนุษย์คนเราเนี่ยมีมีอารมณ์ไปต่างๆไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยใจของคนมนุษย์เนี่ยไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุดกระแสน้ำอะไรหนอเป็นดูดทำนบแล้วกระแสนี้ละได้อย่างไรละด้วยทำอะไรอันนี้เคยเคยเคยมีปัญหาถามพระเจ้าสมัยก่อนนะว่าจิตของเราเนี่ยไหลไปสู่กระแสต่างๆเนี่ยจะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยเหมือนกระแสน้า อะไรหนอเป็นดูดทำนบแล้วกระแสะเหล่านี้จะละด้วยทมอะไรฉะนั้นผู้ทูตองก็สงก่าวว่ากิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดูดกระแสะนา้าสตินี่แหละเป็นดูดทำนบและกระแสะเหล่านี้จะละด้วยปัญญาแสดงว่าละด้วยปัญญาไม่ละด้วยสมาธิเลยแสดงว่าเราใช้สมาธิละไม่ได้ต้องใช้ปัญญาละนะแสดงว่าเราฝึกสมาธิกันเนี่ย เอาสมาธิไปละไม่ได้ถ้ามาได้ออกมาก็ต้องสงบสิจะออกมาไม่สงบเหมือนเดิมแสดงว่าสมาธิเราละไม่ได้เราจะต้องละได้ด้วยปัญญาและปัญญาตรงนี้จะยังไงมีสองอย่างอย่างหนึ่งเ็าเรียกว่าปัญญาปัญญาแบบปัญญาความคิดของคนทั่วไปเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกสองก็คือปัญญายานนะยานปัญญาหรือปัญญายานมีสองระดับ ปัญญาเจตสิกรหรือปัญญาทั่วไปเนี่ยหมายถึงปัญญาที่เราฟังธรรมแล้วเข้าใจวิเคราะห์ไปตามเหตุเหตุผลของการฟังธรรมนั้นแล้วเข้าใจธรรมนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกเจตสิกแปลว่าการวิเคราะห์การตรึกตรองการใส่ใจจการการใส่ใจไป ใ, ใ, ในใ น, ในสิ่งที่ฟังจดจ่อในสิ่งที่ฟังแล้วก็เอาสิ่งที่ฟังได้ไปทําให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาเขาเรียกว่าปัญญาญาณ ญาณปัญญาหรือปัญญาญาณก็เลยว่าตอนเนี้ยเราเข้าใจว่าความอยากเนี่ยเป็นเหตุของทุกเป็นสาเหตุของทุกอยาก่างเราจะทําลายความาทําความาทําลายความอยากนั้นได้อย่างไรฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องค้นหาความอยากว่าพระเจ้าสอนว่าตัณหาเหล่านี้เนี่ยเบื้องหลังของตัณหาอะไรคือเบื้องเป็นผู้ผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างมีเหตุหมดนะก็เรียกมีเหตุมีปัจจัยหมดเลย ถ้าเราค้นไปตามความสอนพระเจ้าก็พระเจ้าก็กล่าวว่าเบื้องหลังของตัณหานี่ยก็คืออุปทานอุปทานมีตัณหาก็มีเนี่ยตัณหามีเวทนาก็มีแบบนั้นแหละทีนี้อุปทานนี่คืออะไรความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอะไรยึดมั่นถือมั่นว่ารูปร่างกายนี้ว่าเป็นเราเขาเรียกว่ารูปร่างกายนี้สองลุก เมื่อมียึดมั่นร่างรูปนี้เป็นเราแล้วก็มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเป็นที่ห้าก็กลายเป็นว่ายึดมั่นขันห้านั่นเองแสดงว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์แต่เบื้องหลังของตัณหานั้นคืออุปทานก็คืออุปทานขันคือความยึดมั่นขันห้าก็คือร่างกายนี้ยึดมั่นร่างกายนี้เป็นรูปแล้วก็ทําให้เกิดนมามธรรมสี่อย่างก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เมื่อเกิดนามธรรมทั้งสี่อย่างขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นความคิดของเราปกติทั่วไปนี่เองเมื่อจิตเราคิดไปมวดสุขทุกข์นั้นเขาเรียกว่าเวทนาเมื่อจิตเราคิดไปจำสิ่งที่เราคิดได้คิดไวสิ่งที่เราคิดนั้นไวเป็นสัญญาเมื่อเราคิดไปปรุงแต่งไปอนาคตกลายเป็นสังขารเมื่อคิดไปผ่านประตูทั้งหกนั้นกลายเป็นวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย เป็นของที่เรามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำลายอุปทานนี้ได้อย่างไรมีทางเดียวเ็าเรียก ว, ว่าทำให้แจ้งทำให้แจ้งทำให้แจ้งอย่างไรหมายความว่าแจ้งแจ้งอย่างไรคือทุกคนเนี่ยคือไม่เห็นขันห้าเลยมาก่อนในเดิมทีของชีวิตของคนเราทั่วไปก็คือเรายังไม่เคยเห็นขันห้าเลยนั่นเอง ไม่เคยเห็นรูปนี้ไม่ เ, เห็นไม่เคยเห็นเวทนาไม่เคยเห็นสัญญาสังขารวิญญาณถ้าอย่างนั้นความไม่เห็นเองคือความมืดความเห็นเองคือความแจ้งแสดงว่าเราไม่เห็นนั่นคือมืดเราจะต้องทำให้มืดเนะ่ให้แจ้งออกมาเขาเรียกว่าแจ้งทำให้แจ้งถามว่าห้าอย่างนี้เราจะแจ้งอะไรก่อนแจ้งรูปก่อน ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะแจ้งตามมาทีหลังสแสดงว่าคนเราไม่เห็นแจ้งก็คือแจ้งในรูปเพราะนั้นรูปนี้ก็คือร่างกายนี้เองสแสดงว่าทุกคนเกิดมาไม่เห็นตัวเองนั่นเองพูดง่ายๆก็ไม่เห็นร่างกายก็ก็คือไม่เห็นตัวเองบางคนก็บอกว่าไม่เห็นยังไงส่องกระจกทุกวันก็เห็นอยู่เห็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นด้วยตาเนื้อไง หรือเรามาือมตาเนเห็นมือเห็นไม้เห็นแข่งเห็นขาเราเนี้ยเห็นอย่างนั้นก็ตาเนื้ออีกตอนนี้น่ะตาเนื้อไม่มีปัญหาไงแต่ที่มีปัญหาคือตาใจถ้าตาเนื้อมีปัญหาเนี่ยทุกคนหลับตานั่งสมาธิหลับตาทุกคนสงบหมดเลยเพราะอะไรเพราะตาเนื้อปิดแล้วเมื่อตาเนื้อปิดถือว่าทุกอย่างสำเร็จประโยชน์จิตต้สงบทุกคน แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ทุกคนนั่งเนี่ยหลับตาหมดทุกคนถามว่าสงบไหมไม่สงบเลยอ้าวมันไปตาไหนล่ะตาในเข้าใจไหมตาเนื้อเนี่ยเราปิดแล้วมันยังไม่แล้วจิตยังไม่จบถ้าเกิดว่าตาเนื้อมีปัญหาเนี่ยเราหลับตาทุกคนก็สงบใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้หลับตาแล้วไม่สงบแสดงว่าปัญหาคือตาในแสดงว่าตาในของเราเน่ยไม่เห็นตัวเองตานอกเนี่ยเห็นยังไงก็แล้วแต่ชื่อว่า ไม่ไม่สามารถจะพ้นทุกได้เพราะตานอกเขาเห็นแบบตานอกทีนี้ตาในาของเราเนี่ยไม่เห็นตัวเองนี่เป็นเรื่องใหญ่สแสดงว่าคนเรามีสองตาตาหนึ่งก็คือตานอกเนี่ยเวลาร่ำทาสมาธิแม้เราหลับตานอกแล้วแต่ตาในามันไม่หลับมันลืมอยู่แล้วเราจะปิดมันยังไงมันปิดไม่อยู่มันก็เลยนั่งแล้วก็ไปเห็นโน่ น, เ ห, น, เ, นเห็นนีน่เห็นโน่นเห็นนี่ก็กลายเป็นอารมณ์ของเราเนั่นเอง แสดงว่าเรื่องนี้ก็คือปัญหาคือตาไหนฉะนั้นคมบอกว่าคนเราไม่เคยเห็นตัวเองก็คือไม่เห็นด้วยตาไหนนั่นเองฉะนั้นลองหลับตาดูสิว่าเราเห็นตัวเองไหมนะลองหลับตาดูดิไม่เชื่อหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองว่าเราจะเห็นไหมเอาเห็นนะไม่ใช่เอารู้นะมันมีรู้ก็เห็นนะเราเรานั่งอยู่ในรู้รู้ว่าเรานั่งอยู่อันนั้นมีอันนั้นยอมรับว่ามีทุกคนมีแต่ไม่เอาเอาเห็น ต้องจะเห็นยังไงต้องล อ, องจะเห็นเราจะเห็นไหมว่าเร า, เราตัวเราเป็นยังไงทุกคนจะไม่เห็นใช่ไหมนั่งหลับตาไปเนี่ยมีแต่ตัวรู้แต่ไม่มีตัวเห็นถ้าเกิดว่าตัวรู้เนี่ยมีตัวเห็นไม่มีเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอะไรเพราะขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันไปเห็นคนอื่นทำไมคนอื่นยังเห็นได้คนอื่นน่าจะรู้อย่างเดียวก็ไม่ใช่มันเห็นเลย ฉะนั้นคนอื่นเห็นเวลานั่งนั่งไปสมาธิเนี่ยเราก็เห็นภาพคนนั้นปรากฏทีภาพคนนี้ปรากฏทีมันเป็นเห็นแต่เราเป็นรู้เรารู้แต่สู้เห็นเขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเห็นถึงจะสู้เห็นได้เอารู้ไปสู้เห็นสู้ไม่ได้แต่ความเห็นของเรายังไม่มีนะมันไม่มีทุกคนจะไม่มีนรหลับตาโดยนึกตัวเองจะไม่เห็นแต่รู้ไม่มีนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะมันมันสู้เขาไม่ได้ แสดงว่าความเห็นของเราเนี่ยมีแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดรอการอบรมของเราก่อนแสดงว่าตอนนี้เราไม่ยังไม่ได้อบรมเนี่ยมันยังไม่เกิดหรอกเขาจะเกิดขึ้นเมื่อเราอบรมไประยะหนึ่งเขาถึงจะเกิดแสดงว่าตัวรู้เนี่ยทำวันนี้มีวันนี้ทำขณะนี้มีเดี๋ยวนี้แต่ตัวเห็นเนี่ยเขาต้องรอการเวลา เขาถึงจะเกิดมันไม่ได้มาเกิดร่วมกันฉะนั้นเท่ากับว่าการที่ไม่เห็นตัวเองก็คือตัวเห็นนี่มันยังไม่มีแล้วถามว่าเวลาเห็นเห็นตัวเองเห็นยังไงเห็นอันเดียวกันแล้วที่เราเห็นคนอื่นนั่นเองสมมติว่าเราหลับตาแล้วเห็นคนอื่นได้เนี่ยธรรมชาติเดียวกันเอาธรรมชาตินั้นมาเห็นที่ตัวเองซะอันเดียวกันนะลองลอ ง, ล อ, งลองนึกดูดิว่าเวลานึกถึงภาพคนอื่นนะ แล้วถามว่าภาพคนอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสของเราทั้งทิ้นเลยแสดงว่ากิเลสเนี่ยหน้าตาของกิเลสก็คือภาพนั่นเองท่านกล่าวว่าภาพเหล่านั้นก็คือวิญญาณวิญญาณหกไปทางตาเขาเรียกว่าจักคูวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะส่วนสุดท้ายก็คือไปทางใจมนโนวิญญาณ ละตาหูจมูกเลื่นกายจะไปรวมที่ใจอีกทีหนึง่งกลายว่าใจเป็นเป็นศูนย์กลางที่รวมภาพของทุกคนหมดแล้วนั่งสมาธิทุกคนเนี่ยนั่งนั่งไม่สงบเพราะมีปัญหาอย่างเดียวคือภาพมีแต่ภาพใครต่อใครมาปรากฏจิตเราเยอะยๆไปหมดเลยภาพอดีตอนาคตภาพใครต่อใครนี่คือปัญหาจิตเราเนี่ยไม่จบเพราะเรื่องนี้เรื่องภาพนี่เองแสดงว่าสั ญ, ญลักษณ์แห่งความคิดของเราเนี่ยคือภาพใช่ไหมละ่ะแล้วภาพนี่เองเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของกิเลเรา ถ้าภาพผู้หญิงนั้นปรากฏในใจชายการมาราคะก็เกิดในชายถ้าภาพนั้นเป็นภาพผู้ชายปรากฏในใจหญิงการมาราคะก็เกิดในหญิงซึ่งภาพเหล่านั้นจะบ่งบอกถึงราคะโทสะโมหะที่เดียวเลยภาพนั้นเป็นที่ตั้งที่ที่ความคล่ความเสน่หาราคะก็จะเกิดถ้าภาพนั้นตั้งเป็นที่ความโกรธความแค้นโทสะก็จะเกิดถ้าภาพนั้นตั้งไปเรื่อยๆไม่ใช่ภาพโกรธมันไม่ใช่ภาพลัก ภาพนั้นก็จะเป็นโมหะโมหะก็จะเกิดแสดงว่าโมหะก็คือภาพที่เป็นเรื่อยๆรักไม่ใช่ชังไม่ใช่จะเป็นภาพกลางๆอะไรเงี้ยฉะนั้นวันวันหนึ่งเรามีสามภาพต้นเองภาพสามหมวดไม่ใช่สามภาพนะภาพมีเยอะแยะไปหมดแต่แบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วนี่มีสามประเภทก็คือภาพราคะภาพโทสะภาพโมหะถ้าภาษาบาลีเขาเรียกว่าภาพตัวนี้เขาเรียกว่านิมิตอ่า ราคะเขาเรียกว่าสุภนิมิตโทสะเขาเรียกปฏิฆานิมิตโมหะเขาเรียกว่าสัพภนิมิตสัพภะก็คือมากมายทีนี้เราทําสมาธิมาเนี่ยออกมาก็จะมีภาพพวกนี้อยู่เหมือนเดิมเราจะสงบถาวรได้อย่างไรจึงว่าเราจะต้องทําลายภาพเหล่านี้ซะให้ภาพเหล่านี้ไม่มีอยู่ในใจเราสักภาพเดียวเราจะทําลายได้อย่างไงเราถึงจะสงบ ถ้าภาพเหล่านี้ไม่มีทุกคนสงบแน่นอนทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าภาพเหล่านี้จะฆ่าได้อย่างไรมันมากม า, กายกลกองเราไม่ต้องไปตามฆ่าหรอกเพียงแต่เราผลิตภาพเราขึ้นมาเท่านั้นเองภาพเหล่านั้นก็จะสลายไปเองเข้าใจไหมแสดงว่าภาพเหล่านั้นจะถูกทำลายด้วยภาพเราแต่ภาพเรายังไม่เกิดเลยยังไม่เกิดขึ้นเลยก็มาเป็นที่เดียวกันอยรที่จะมาบอกว่า ทุกคนไม่เห็นร่างกายตัวเองก็คือไม่เห็นรูปนี้เป็นปัญหาเดียวกันที่มาสุ่มตรงนี้ว่าถ้าอย่างนั้นจุดอจุดหมายปลายทางของการทําเรื่องนี้ก็คือทําให้แจ้งร่างเราและทําภาพเราให้เกิดให้ได้แตนี้วิธีทําที่จะให้เกิดภาพเราให้ได้เนี่ยทําอย่างไรทำคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ทำอย่างไงก็คือว่า จะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนจะเดินจะนั่งในชีวิตประจําวันเราเราก็ทั้งหมดเนี่ยเรานึกภาพตัวเองให้ได้บอกนึกยังไงก็ไม่ได้ทำไมดีไม่เป็นไรพระเจ้าถอนว่าเคยเห็นร่างผู้อื่นไหมเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บหรือมนุษย์ของเราเนี่ยเมื่อชําแหละออกมาเนี่ยมีตับ ม, ตมีไตมีไส้มีพุงเคยเห็นไหมเคยเห็นในโรงพยาบาลไหมเคยเห็นในรูปที่เขาเขียนอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆของมนุษย์ อ๋อเคยเห็นเคยเห็นแล้วเคยเห็นคนตายอุบัติเหตุไหมอ๋อเคยเห็นแล้วเคยเห็นคนตายที่กำลังขึ้นอื่นขึ้นพ้องไหมเออเคยเห็นจําได้ไหมล่ะจําได้ถ้าจําได้เนี่ยเอาสิ่งเหล่านั้นมาสมมติก่อนสิก็เลยว่าท่านเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าจําได้หม่รู้อสุภาษสัญญานึกถึงความปฏิกริช น, นื่นอ่ามรณะสัญญานึกถึงความตายที่เราเห็นคนคนตายอย่างเงี้ย แล้วเรานึกถึงคนเหล่านั้นแล้วก็จําเป็นเขาอยู่ดีทำไงเราเอาแค่ตัวอย่างมาแต่จุดหมายปลายทางในครั้งนี้เนี่ยเราจะทำเพื่อมาเห็นเขาเพื่อจะเห็นเราเนี่แหละแต่มันไม่เห็นก็เลยยืมตัวอย่างของเขามาเขาเรียกว่ายืมเอาอุบายฉะนั้นการที่เราเอาเขามานึกเนี่ยไม่ใช่เอาเขามานึกเลยนะเอาแค่อุบายเข้าใจไหมแต่ตัวนึกเนี่ยคือตัวเรา เพราะจุดหมายของการเห็นครันน้งนี้เราต้องการเห็นเราไม่ใช่เห็นคนอื่นแต่เรานึกไม่ออกก็ขอยืมอุบายหนะ่อยนะเนี้ยก็เลยว่าเอาอุบายมาไม่ใช่เอาตัวเขามานึกถ้าเกิดว่าเราเอาคนตายมานึกเนี่ยทุกคนก็คงจะกลัวผีก็คงไม่อยากนึกแต่เราไม่ต้องเอาเขามานึกนะนึกถึงเราแต่อุบายเขาว่าเขาตายอู้กาลังอืดหรือเนี่ยตอนเนี้ยเรานึกตัวเองอึดปังสิเป็นยังไงอย่างนั้นแหละอางนั้นแหละ แล้วก็ทำนะไม่ต้องนั่งเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำเพราะวิชาทำอย่างนี้เขาให้ทำทั้งวันทั้งคืนทาไมต้องทาทั้งวันทั้งคืนในสมาธิเขาไม่ทำอย่างนั้นนะทำเช้าบ้างบังเย็นบ้างกลางวันบ้างทำน้อยสู้เขาไม่ได้เพราะจิตมันรั่วเยอะทั้งวันจิตมันกลางคืนก็ไปกลางวันก็ไปเราก็ต้องทำทั้งกลางวันกั้งคืนถึงจะสู้เขาได้ ถ้าอย่งนั้นเราไม่ต้องนั่งท่านนั่งคงจะไม่ไหวเหนื่อยเมื่อยแน่เลยเราก็ต้องทําไปทุกียบบทเดินก็ทํานั่งก็ทํายืนก็ทํานอนก็ทําไปขึ้นรถขึ้นเรือนทําไม่มีคนข้างๆเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราทําอะไรเพราะอยู่ข้างนอกก็ปกติดีแต่เราไม่เมื่อก่อนดอูปกติยังไม่พอเอาใจไปคิดใครต่อใครมันมันมันมันเสียสุขภาพจิตตอนนี้เรามาคิดถึงตัวเองนะเมื่อก่อนเราปล่อยใจคิดไปเลย ต่อมาจิตเราเนี่ยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆืๆๆๆๆๆๆเนี่ยต่อมาจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนทําก็แรกๆก็ยากแต่ต้องนึกนะถ้าไม่นึกจิตไม่อยู่นะไม่เหมือนเหมือนการทําสมาธิฌานฌานจะเพ่งนิ่งอย่างเดียวถ้าคิดจิตไม่หลวมการทําสมาธิเนี่ยถ้าคิดจิตไม่หวมถ้าไม่คิด่ะจิตมันจะหลวมแต่เวลาพิจารณาแต่เวลาเราเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยคิดคิดถึงจะดีคิดถึงจิตถึงจะไป ถ้านิ่งจิตไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เจริญนะมันมันต่างกันสมาธิเนี่ยคิดจิตไม่รวมใช่ไหมแต่อันเนี้ยนิ่งจิตไม่ไปจิตไม่เดินแต่ต้องเดินด้วยความคิดเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่เป็นตัวที่คิดแต่เขาไม่ให้คิดถึงคนอื่นให้คิดถึงตัวเองเมื่อบุคคลนั้นอบรมอยู่ตรงนี้ทั้งกลางคืนกลางวันคิดอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดคิดอยู่ในตัวเราเรื่อยเรื่อยเรืยเรื่อยคิดอยู่ในตัวเราเนี่ย ปรากฏว่าจิตของเราที่บืดๆก็เริ่มสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาที่แรกก็เหมือนเหมือนฟ้าแลบนะแวบแวบแวบแวบเราก็ต้องไม่ต้องเอะใจเฉยๆไว้ต่อมาก็จะเหมือนกาบเพชรนะจิบจิบจบจบจิบจิบิตเราจะเป็นเ่านี้นี่จะเป็นเป็นการปฏิกิยาของจิตที่ที่ตอบสนองของการอบรมของเราว่าการอบรมของเรานี่มีอะไรเป็นเครื่องหมายของการว่าเราทำแล้วมีอะไรปรากฏการขึ้นมา มันจะเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าจิตเราเริ่มเปลี่ยนแปลงนะต่อมาจากกากเพชรเนี่ยก็จะกลายเหมือนหิ่งห้อยจิบจิบจิบจิบจิจิบเตะไปหมดเลยเราก็เฉยเฉยไเราก็พิจารณาตัวเองเป็นซากศพเพียงเดียวอย่างนี้เป็นต้นต่อมาเราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพไปซากศพปแสงเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมากต่อไปก็จะเหมือนดวงดาวแต่น้อยดวงหน่อยเหิ่งห้อยก็เยอะหน่อยกากเพชรก็เยอะหน่อยต่อมาเนี่ยจากดวงดาวก็จะกลายเป็นดวงเดือนดวงเดียว อยู่ห่างๆเราฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยรับรู้ไว้แค่นั้นนะไม่ต้องสนใจนะรับรู้ถ้าเราสนใจปุ๊บทุกอย่างจะพังหมดเลยเราแลตาดูนิดๆออามันมีนะแต่เราก็พิจารณาตัวเองสร้างศรพรธาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแต่แอ บ, บมองนิดๆได้อยู่นะต่อมาเนี่ยเหมือนดวงเดือนเนี่ยลอยหนึ่งอยู่ห่างเราประมาณทั้งสามวัต่อมาก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาก็ามาติดหน้าผากเราเลยเราก็เฉยๆพิจารณาตัวเองเป็นโซฟาอย่างเดียว ถือว่าการพิจารณาอสุภะของเรา่เป็นตัวนําของทุกอย่างตัวนําแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นตัวตามฉะนั้นเราถือว่าผู้นําทิ้งไม่ได้ผูผู้ตา ม, มจะตามมาไม่ตามมาค่าไม่สนนะค่าจะเอาผู้นําไปอย่างเดียวอย่างนี้แหละคิดอย่างนี้ถ้าคนนั้นไม่รู้ไม่ชี้ไปจากพิจารณาตัวเองมากเข้าไปมากเข้าไปต่อมานะดวงดว ง, ดวงเดือนตัวนี้ติดหน้าผาแล้วก็สวมตัวเราไปกลายเป็นว่ากืนตัวเรากลัวตัวเราทั้งหมดออกแสงเหมือนเรามีออร่าแบบนั้น ตัวเราจะออกแสงทั้งหมดแล้วก็จะชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปรากฏว่าทํานานเข้านั้นเข้านั้นเข้าไปเนี่ยตัวเองก็จะแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเหมือนแสงออกทั้งตัวต่อมาล่างอสุภะตัวนี้ก็จะหายไปเองกลายเป็นล่างจริงขึ้นมาทีนี้เราก็รักษาล่างจริงไว้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากจนเห็นทั้งล่างเลยทั้งหัวถึงเท้าแจ้งไปหมดเลยเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วก็ เป็นเหตุของเราเนี่ยละสังโยชน์ได้ก็คือละสกายติฐิเป็นพระโสดาบันเมื่อเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาปุ๊บปัญญาของเราเนี่ยเริ่มเป็นปัญญาญาณละที่แรกเป็นปัญญาเจรสิกต่อมาก็จะเป็นปัญญาญาณเริ่มเห็นว่าโอ้รูปนี้ไม่เที่ยงถ้ารูปนี้ไม่เที่ยงกิจที่เราออกนอกก็ไม่ควรแก่เราเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีไม่ควรแก่เราถ้าอย่างนั้นการคิดไปทุกครั้งเป็นการผิดทั้งหมด คิดไปก็ผิดแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วเราจะไม่คิดแสดงความคิดของเราที่คิดไปนั้นเกิดจากความไม่รู้ตรงนี้ต่างหากแต่บัดนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยก็คือร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราดัานั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นของเราได้อย่างไรปัญญาส่วนนี้ทำให้ตัดจิตเราเนี่ยกับโลกขาดกันดังนั้นพระโสดาบันจึงไม่มีจิตรั่วออกข้างนอกแม้แต่นิดเดียวไม่ต้องพูดถึงพัชกิจคาอนะาควรหันนะ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะปัญญาของโสดาบันเนี่ยปัญญาตัวนี้เป็นตัวตัดไงตัดจิตเราก็ระหว่างจิตเรากับโลกนันขาดกันฉะนั้นจิตตัวนี้เมื่อไ ม, ไม่ไม่ไปด้วยเห็นด้วยปัญญาเนี่ยทําให้จิตเนี่ยไม่ไปทางตาเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ไปทางหูจมกูกเลื่อนกายใจแล้วก็ไม่ไปหาอารมณ์ทําให้จิตเราเนี่ยอยู่บ้านเหมือนเราอยู่บ้านแต่ไม่ออกประตูนะ่ะตาหูก็มีไปแต่จิตไม่ออก ทางด้านพระโสดาบันจึงว่าละสการณทิฏฐิได้เมื่อละได้ก็มีผลของการละเขาเรียกว่ามีผลของการละก็คือจิตของท่านนิ่งสงบระงับจึงไม่จิตของท่านไม่รั่วแม้แต่ยี่นิบนาทีเดียวแต่กิเลสของท่านก็ยังไม่หมดถือว่าจิตไม่ไปนะั้นยังไม่จบนะแต่ภายในของท่านก็ยังมีดิ้นดินอยู่นอกไม่ไปแต่ในดิ้นดินอยู่เหมือนน้ําข้างนอกไม่ออกแต่ข้างในก็กเพิ่มอยู่อย่างเนี้ย เหมือนน้ำที่เราใส่ขวดแล้วก็ปิดพนึกอย่างดีแล้วเขาเยาก็ยังเพิ่มอยู่แต่รั่วนี้ไม่รั่วละเนี่ยเมื่อพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่ากิเลส ข, ของตนก็ต้องมีอีกก็พิจารณาตัวต่อไปมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากนจนถึงผ้านาคามีตั้งแต่โสดาบันไปแล้วถึงผ้านาคามีถึงพผ้ า, ารหัสจิตพวกนี้จะไม่มีรั่วเลยเป็นฝ่ายของโลกุตระหมดเลย ฉันพระโสดาบันขึ้นไปคือว่าโลกุตระจิตของท่านไม่ล้วแต่ปุถุชนต่ำกว่าโสดาบันล้วดอยงเดียวเลยแบ่งเขตกันตรงนี้จิตล่วอยู่โล ก, กิยะอยู่จิตไม่รั่วคือโลกุตระเมื่อประเด็นพระนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็สิน้นจิตนิ่งมากจิตเราไม่เคยออกไปเลยแล้วก็ในโลกนี้ไม่มีภาพภัยที่ชัดภาพเราคนเดียวชัดแล้วก็ภาพเราคลองโลกไปหมดเลย แสดนภาพทั้งหมดหายมาลายสิ้นมีแต่ภาพของเรามีภาพเราภาพเดียวที่ชัดที่สุดในโลกแสดนวันๆหนึ่งเรารักษาภาพเราไว้ภาพคนอื่นไม่มีเลยแม้แต่ภาพเดียวนั่นคือการดันทําลายภาพแสดงเมื่อภาพเหล่านี้ถูกทําลายแล้วเนี่ยเวทนาก็ดับจันญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับหลังจากนั้นพระนาคามีรู้ว่า วิญญาณเราดับแล้วข้างนอกเป็มีเป็ละก็ความเป็นหญิงเป็นชายเพราะอะไรเพราะการเห็นตัวเองเนี่ยเห็นทุกอย่างในสิ่งเลือดเนี่ยทําให้กามาราคานี่สิ้นเลยรับไม่ได้แล้วแล้วความเห็นตรงนี้ไม่เคยดับหมายถึงว่าเราเห็นแจ้งแล้วเนี่ยจะแจ้งตลอด24ชั่วโมงทําไมแจ้งเยอะตลอด24ชั่วโมงเพราะเราทํำ24ผลก็ออกมาก็24แล้วแจ้งวันนี้พรุ่งนี้ก็แจ้งเหมือนเดิมแจ้งว่าพรุ่งนี้เมื่อลืน เมื่อลื่นจนถึงเดือนหน้าปีหน้าร้อยปีแจ้งเท่ากันเดียวหมดไม่มีดับเมื่อนาทีเดียวฉะนั้นคนรู้แจ้งไม่ใช่ว่าแจ้งปีที่แล้วปีนี้เป็นไงดับไปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่แจ้งเมื่อวานวันนี้หายไปแล้วไม่ใช่คือเขาแจ้งแล้วเนี่ยเขาจะแจ้งวันนี้ถึงวันตายจะไม่มีดับและจิตของเราจะไม่มีรั่วหลังจากนั้นพระนาคามีก็ไม่รั่วแล้วนะักทาไงต่อทาฌานต่อ ฌานก็คือว่าสมาธิฌานที่เราทําครั้งแรกนะ่ะที่เป็นโลกียะนั่นแหละกลับมาทำอีกทีหนึ่งตอนนี้กลับมาถามก็กลายเป็นฌานโลกุตระเพราะพื้นฐานเราเป็นโลกุตระอยู่แล้ว mm. เมื่อทําฌานขึ้นมาอย่างข้องแคลงตอนนี้ทาําฌานเวลาทำฌานเนี่ยทำสมาธิฌานเนี่ยคนทั่วไปจะทําสมาธิทีเนี่ยต้องมันต้องมาต่อสู้กับอารมณ์ก่อนใช่ไหมเวลาทําสมาธิโอ้โหอารมณ์เยอะแยะต้องมานั่งถ้าวันไหนสู้อารมณ์ได้วันนั้นก็สงบวันไหนสู้ไม่ได้วันนั้นก็เลิก สู่ไม่ได้แต่เมื่อเป็นภาพนาคัคขามีไม่มีคําคำพูดเหล่านี้จะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ได้ทันทีออกเมื่อไหร่ได้ทันทีเข้าได้สั่งไ ด, สงได้สั่งได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะอารมณ์ที่ขัดขวางไม่มีเลยไม่มีแม้แต่อารมณ์เดียวเพราะไม่มีภาพเลยมีแต่ภาพตัวเองภาพคนอื่นไม่มีฉะนั้นภาพคนอื่นเองขัดขวางเราเมื่อท่านทํามทำเนี่ยท่านจึงไม่เสื่อมเมื่อทําชาญแล้ว ให้จเจริญปฐมฌ า, านจนถึงทุติต ต, ติจนถึงจตุรสานจนถึงอรูปฌานจนถึงโน้นเนีว่าสัญญาหนาสัญญาจนถึงสัญญาเวทยิตได้แล้วก็น้อมจิตไปทางวิชาสามระลึกชาติตัวเองได้ระลึกชาติผู้อื่นได้หมดอาสวะเมื่อบรรตสวะแล้วเนี่ยอัมพิญญาทั้งหมดก็จะเป็นอัพิญญาหกทันทีเลยหมดเวลาละโยม ย่อที่สุดแล้วนะเวลามันน้อยอะ่ะแล้วก็เป็นพระรหันต์ทันทีนทเลยเป็นราพระรหันต์ทานนี้อภิญญา จ, จะหกไม่มีห้าแล้วก็ไม่มีเสื่อมจิตหนึ่งเดียวฉะนั้นคนที่หนึ่งเดียวก็หนึ่งได้ตลอดนะหนึ่งได้ตลอดกลายเป็นว่าไม่จะเป็นมานั่งอย่างนี้หรอกนั่งไม่นั่งไม่มีผลเพราะจิตของท่านหนึ่งเดียวเท่านั้น จะนอนทั้งว <si ันก็ช่างจะนั่งทั้งวันก็ช่างไม่นั่งเลยก็ช่างจะเดินทั้งวันก็ช่างจะพูดทั้งวันก็ช่างหนึ่งเดียวเพราะไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองแจ้งชัดมากมากกว่าตาเนื้อเราอีกแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็ขายกําหนัดขายความยินดีตัวเองก็ขายความยินดีผู้อื่นก็คือไม่มีกําหนัดยินดีก็คือหญิงชายก็หมดไปอันนี้แหละพระเจ้าบอกว่าเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อขายกําหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น สมาธินี้คือโลกุตละสมาธิโลกุตละสมาธินี้เป็นอย่างนี้พ้นแน่อันนี้มีเฉพาะพุทธศาสนานะไม่มีศาสนาอื่นแต่โลกิยะนี่มีหมดเลยมีทั่วไปวันนี้ก็หมดแหละเวลาแล้วเนาะก็ขอยุติการปฏิญาณธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความจเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในเมตตามคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเดิน